อันรรรอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัตว์ปรดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปเส ม, มือนประที่ที่สองสว่าง น, นําทางแก่มวลมนุษย์โลกเทวโลกและกร ม, มโลกให้เกิดสุเคติสารแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระพุทธองค์ครับเพื่อนเจ้าว่วาองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอ น, นันต์แกเ่เราเราทั้งมวล ะรมโลกดังได้กล่าวแล้วพระองค์ทรงตัดขาดจากความสุขทางโลกโดยสิ้นเชิงทั้งที่พระพุทองค์นั้นหากถือเพศเป็นคารวะพระองค์ทรงเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสุขกให้แก่พุทธองค์ตลอดชั่วอายุขัยได้ ้บังเกิดความสุขอันแท้จริงขึ้นพระพุทธองค์ทรงเพียรพยายามศึกษาทุกวิถีทางแม้กระทั่งต้องทรงปรมาณสังขารร่างกายจนได้รับทุกขวเวทน า, าแสนสาหัสพระองค์ก็จังทรงธระมจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงบรรลุ ถ, ถึงสัจธรรมอันนั้นจนได้ และได้นำเสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นออกไปประกาศเผยแพร่แก่เล่าบนมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งบางของสำเร็จถึงขั้นอรหันต์บ้างและได้ยึดถือเอาพระธรรมคำสัมปอนของพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่สืบกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน เรฒน์ทั้งมวลมุ่งบำเป็นเพียบรบารมีจนได้บรรลุถึงธรรมอันวิเศษนั้นมีอยู่มากมายหลายต่อหลายองค์ด้วยกันบางองค์ก็ได้ทิ้มขันไปแล้วก็มีและบางองค์ก็ยังคงมีสังขารอยู่เพื่อทําหน้าที่ที่ได้มีปฏิปทามุ่งมัน่นสืบทอดธรรมะในองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดารงอยู่ได้ตราเท่าทุกวันนี้ มีพระเดชพระคุณหลวงปู่บุดดาทาวโรใวัดกลางสุสีเจริญสุขตำบลพักพันธ์อำเภอสีประจันต์จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ด้วยองค์หนึ่ง สออ คนหลังได้ตั้งแต่เด็กการเห็นภาพในอดีตชาติหรืออฏิตัสยานนี้หลวงปู่ท่านเห็นได้หลายพบหลายชาติเหมือนกับการดูภาพยนตร์ท่านบอกว่าท่านเคยเกิดเป็นชายแถบฝั่งซ้ายแม่น้ำาโง่งตัวหนังสือที่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบเดียวกับสมัยพ่อคุนรางคำแหง ไม่ใช่หนังสือที่ใช้ในปัจจุบันนี้แต่พอท่านได้เริ่มเรียนในสมัยเป็นทหารท่านก็นํามาเทียบกับตัวหนังสือในสมัยปัจจุบันดูพอเทียบถูกท่านก็อ่านได้ ที่ทำให้ท่านรู้สึกเหือนายท่านเล่าว่าถอยหลังจากปัจจุบันไปเจ็ดชาติท่านเคยเกิดเป็นบุรุษทุกชาติและเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยจึงไม่มีครอบครัวเลยตลอดทั้งเจ็ดชาติส่วนมากท่านเกิดฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมากกว่าฝั่งขวา ที่ท่านมีอายุยืนหลวงปู่เล่าว่าตั้งแต่เด็กๆท่านมักจะบอกกับมัรดาของท่านเสมอว่าโตขึ้นท่านจะไม่มีครอบครัวเพราะท่านลังอายใจเนื่องจากอดีตชาติหนึ่งในผลหลังเมื่อท่านเป็นหนุ่มเกิดพอใจหญิงสาวชาวบ้านใกล้เรือนเพียงผู้หนึ่งจึงไปอู้สาวผู้นั้นแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดจาด้วยดี กลับังเลือกถึงอดีตชาติว่าเคยมาทำให้เขาถูกทุบตีและถูกจับผูกทรมานอดอาหารจนหิวตายพอมาชาตินี้จะมารักทำไม กินท่านจึงร้องบอกกับพวกเด็กเด็กเหล่านั้นเมื่อเห็นก็พากันเอาไม้ไล่ตีหมาที่มาขโมยของกินทันทีแต่ท่านยังเห็นต่อไปอีกว่าพวกเด็กเหล่านั้นไม่ได้ไล่ตีหมาอย่างเดียวบายังได้จับหมาตัวนั้นขังเะอีก เวลาล่วงเลยไปทุกคนก็มัวแต่สนใจในอาการเจ็บไข้ของท่านสมพันและการวรรณะภาพของท่านสมพันธ์ในเวลาต่อมาจนลืมไปว่าได้จับหมาตัวนั้นขังเอาไว้หมาจึงก็อดข้าวถึงตายไปเมื่อระดึกถึงชาติได้ดังนั้นก็เกิดความสลดและละอายใจ นี่เรากำลังจะเอาหมามาเป็นเมียแล้วหรือนี่จึงเป็นการประทับฝังอยู่ในใจของท่านมาตลอดทุกชาติหลวงปู่ปรารบเสมอว่าเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตชาติแต่หดนั้นแล้วทำให้ท่านมีความรู้สึกเบื่อหน่าย ต่อการต้องเวียนไหวาตายเกิดมาตั้งแต่สมัยยังเด็กท่านจึงได้บอกกับมันดาท่านเสมอว่าโตขึ้นท่านจะไม่ขอมีครอบครัวอย่างแน่นอนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ชายไทยทุกคนจะต้องทาการคัดเลือกเพื่อไปเป็นทหารเกณฑ์ สำห ร, รับใช้ชาติด้วยกันทุกคนหลวงปู่บุดดาก็เช่นกันเมื่อถึงกําหนดอายุครบ20ปีท่านก็ต้องเข้าทําการคัดเลือกไปเป็นทหารการคัดเลือกทหารในสมัยนั้นใช้วิธีจับฉลากใบดําใบแดงถ้าหากผู้ใดจับได้ใบดําก็ไม่ต้องเป็นทหารถ้าจับได้เป็นใบแดงก็ต้องเข้าฝึกวิชาทหารในปีนั้น เูเล่าว่าในสมัยนั้นหากใครจับได้ใบดำในปีแรกในปีนั้นก็ไม่ต้องเข้าประจำกรมกองแต่ในปีต่อๆไปก็จะต้องมาจับฉลากอีกจนครบอายุ30ปีจึงไม่ต้องมาคัดเลือกทหารอีกต่อไปในปีแรกคือเดือนเมษายนพศสองพ นก็ไปค้นเลือกทหารที่กองทัพที่สามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระงามจังหวัดรบบุรีและจับฉลากได้ใบดำเรื่อยมาจนในปีพศ2460ได้มีการรับสมัครทหารอาสาเพื่อไปทําสงครามนาทวีปยุโรปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็สมัครเข้ารับการฝึกกับเขาด้วยแต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ไปประจํากองรบในประเทศยุโรปเหตุเพราะว่าหลวงปู่ไม่ดื่มเหล้าถ้าเลาว่าอากาศที่ยุโรปหนาวจัดมากถึงกับมีหิมะทหารทุกคนต้องดื่มเหล้าเพื่อบรรเทาความหนาวลงได้บ้างก็เลยไม่ได้เข้ารับราชการทหารกับเขาอีก พมาในปีพศ .2463 หลวงปู่ก็เข้ารับการคัดเลือกอีกในปีนี้หลวงปู่ท่านจับฉลากไบใบแดงจึงได้เข้ารับราชการทหารอยู่ที่กองทัพที่สนั้นเป็นเวลาถึงสองปีดังมีหลักฐานที่มีรอยสักอยู่ที่แขนของหลวงปู่มาจนทุกวันนี้ คนกำหนดของการรับราชการทหารมาแล้วท่านก็กลับมาช่วยบิดามารดาของท่านทำนาอยู่อีก4ปีความนึกคิดอยากจะบวชที่มีอยู่ตั้งแต่อายุแค่ห้าขวบยังฝังอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าในขณะนั้นก็สมควรแล้วที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาสักครั้งในชีวิตของลูกผู้ชายไทย จึงได้ขออนุญาตกับบิดามันดาเพื่อทำการบวชพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาตามประเพณีสิบทอดกันมาตั้งแต่ครั้นโบราณกาลวันที่15เมษายนพศ2465หลวงปู่บุญดาถาวโรได้รับอนุญาตให้อุปสมบทในตอนนั้นอายุ28ปี ที่พัสสิมาวัดเนินยาวตำบลพวนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดสระบุรีโดยมีพระครูธรรมขันธสุนทรเป็นพระอุปชาในภาษาแรกท่านอยู่กับอุปชาที่วัดเนินยาวเพื่ออยู่ปฏิบัติวัรถากต่อพระอุปชาในเวลาสมควรและท่านได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตาม พระธรรมวินัยอย่างเพ่งครัด มองเห็นคนที่มาใส่บาตรที่เป็นหญิงสาวดีแล้วจิตมันยิ่งฟุ้งส่านปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาคิดในใจว่าเขาให้ข้าวแล้วยังไม่พอยังคิดจะเอาคนอีกก็กลับมาพิจารณาถ้าจิตยังพอใจยังคิดอยู่ท่านก็จะไม่ไปบินถบาต ท, ที่นั่นอีกเป็นการลงโทษตัวเองที่เห็นสวยเห็นงามเมื่อพิจารณาแล้วจิตที่เคยคิดเคยปรุงแต่หมดไปเมื่อใด ท่านจินจะไปบินทำบาทที่เดิมท่านแก้ไขอย่างนี้เสมอหลวงปู่ตั้งเคยนั่งบริกรรมทำสมาธิในโบสถ์และอธิษฐานจิตว่าถ้าจะรู้ทำเห็นธรรมแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะอธิษฐานอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นท่านก็เพ่งเ ต, เตโชกสินท่านก็เกิดเป็นไฟลุกท่วมโบสถ์ในนิมิตนั้นทันที เป็นอาโปกสินจนน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาบูดเพียนปลาสิวตัวเล็กๆจนกระทั่งโตเท่าต้นตาน่าลท่านจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงและตัวท่านต้องรู้ธรรมตามที่อธิษฐานนั้นอย่างแน่นอนท่านจึงได้เร่งปฏิบัติทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ผูาา้จ้าันษาอยู่ที่วัดเงินยาวเป็นเวลาพอสัควรก็คิดที่จะออกทุดงเพื่อจาริกแสวงหาความสมบวิเวกเจริญสมณธรรมตามรอยบาทแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ออกเดินทางพุ่งหน้าสู่สถานที่ต่างๆซึ่งบังเกิดขึ้นในมิจิาทิ่ผ่านมาโดยบ่ายหน้าไปทางจังหวัดหนองคาย ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ผจญเข้ากับฝูงวัวป่าฝูงหนึ่งมันมองดูลงปูอย่างความแปลกใจในใจคงคิดว่าจะเป็นอันตรายแก่พวกมันหรือเปล่าขณะนั้นมีวัวตัวหนึ่งดูท่าทางจะเป็นหัวหน้าฝูงเดินเข้ามาดมดมลงปูแล้วก็ร้องออกมาคล้ายจะบอกกับพวกพวกว่าไม่เป็นไรลรอกไม่มีอันตรายจากนั้นตัวอื่นๆก็เข้ามาดมหลงปูจนครบทุกตัว แล้วก็พากันเดินเลยไปหลวงปู่พูดเสมอว่าผู้มีคุณธรรมเท่านั้นแม้จะเป็นเดรรชานก็สามารถส่งภาษาใจกันรู้เรื่องธรรมานั้นก็คือภาษาใจอยู่ที่ไหนก็รู้กันได้มนุษยธรรมเทวธรรมโลกุตลธรรมก็ติดต่อถึงกันได้ เปรียบเหมือนโทรศัพท์สายเดียวย่อมจะติดต่อกันได้จากนั้นลุกปู่ท่านก็มุ่งหน้าข้ามโขงสู่นครเวียงจันทร์ซึ่งท่าน เ, เคยนิมิตเมื่อตอนสมัยเป็นเด็กว่าในอดีตชาตินั้นท่านเคยมีถินกำเนิดอยู่นอกนครเวียงจันทร์ไม่ไกลนักเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาก็เอาศพของท่านไปฝังไว้ใ ต, ต้ตอพุทราเห็นกระโหลกขาวพูน พอไปพบจริงๆก็พบกระโหลกคนมีจริงแต่ไม่ขาวเหมือนในนิมิตและต่อภาษาก็มีมีแล้วท่านก็ได้นํากระโหลกของท่านทําการชาวพนกิจด้วยตัวของท่านเองอีกด้วยในขณะที่ท่านกําลังพูดดออยู่ในนครเวียงจันทอยู่นั้นก็ใกล้เข้าราษาพอดีท่านจึงได้จำํำภาษา ณที่วัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองเพื่อที่จะได้ใกล้กับประเทศลาวที่ท่านกำลังค้นหาความเป็นมาของท่านตามนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นกับท่านระหว่างนี้เองทำให้ท่านมีเวลาเดินทางเข้าไปยังนครเวชช์จันอีกคราวนี้ท่านข้ามเรือไปที่วัดศรีฐานก่อนแล้วก็เลยไปสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับท่านในอดีตชาติ แล้วก็แวะเยี่ยนชมวัดสำคัญสำคัญคือวัดศรีสเกตวัดอินแปงซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางประชุมเกี่ยวกับธรรมะในสมัยต่างๆลวงปูเดินทางผ่านต่อไปยังวัดสมองตื้อไปเวนเชียนที่วัดพระาธาตุหลวงที่วัดพระาธาตุหลวงนั้นกล่าวกันว่ามีเรือทองคำจมอยู่สองลำและได้ทำการสร้างพระาธาตุข้อมาไว จากนั้นลูกปู่ก็ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และยังเด่นเลยไปยังวัดพระแก้วที่เวียงจันทร์ได้ไปเห็นตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ยังศาลาเก็บพระไตรปิฎกต่างๆท่านก็ยังระลึกได้ว่าท่านเคยได้จานคือเขียนพระไตรปิฎกนั้นด้วยตัวของท่านเอสมัยเป็นสามเณรและสมัยเป็นสมภารชาวัดมีรวมทั้งหมดถึงสามตู้ด้วยกันถ้าเล่าว่า ท่านได้เป็นสมภารเจ้าวัดในฝั่งลาวสามชาติแล้วก็ตายตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยกลางคนหลังจากที่หลวงปู่ท่านได้จาริกแถบพราอีสานแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งลาวเป็นเวลาพอสมนควร ท่านก็เดินทางกลับมาอย่างจังหวัดลบบุรีอีกและในระหว่างทางท่านได้พบกับหลวงปู่สงกรมัสโรซึ่งมีตัณหาแก่กว่าท่านหนึ่งปีแต่อายุมากกว่าท่านหลายปีเมื่อพบกันหลวงปู่ก็จําได้ว่าหลวงปู่สงเคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติท่านจึงเรียกหลวงปู่สงว่าคุณพ่อสงตั้งแต่นั้นมา และยังได้ร่วมเดินทุดงด้วยกันไปยังสถานที่ต่างๆเสมอที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้พบถ้ำท้ำหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่ไม่กว้างเท่าไรนักผนังด้านบนเป็นช่องโปร่งพอมองเห็นท้องฟ้าได้ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีท่านทั้งสองจึงอาศัยถ้ำนี้ เป็นสถานที่บางเป็นเพียรเจริญสมาธิภาวนาและที่ทำ้ำภูขานี้เองที่ท่านได้พบสัจธรรมคือรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นหลวงปู่อายุได้32ปีพรรษาที่สี่ การรู้อภิตังสยา น, นี้คือการระลึกชาติหรือสามารถรู้ถึงจิตของผู้อื่นได้นั้นหลวงพ่อสมเคยสารเสวนหลวงปู่บุดดาเสมอว่าสําคัญนักรู้ถึงความคิดของผู้อื่นได้โดยมีคราวหนึ่งหลวงพ่อสมกับหลวงปู่กําลังชันอาหารที่บินถบาทมาและวก็นั่งอยู่ห่างกันในตรดของแต่ละองค์หลวงพ่อสมกําลังพิจารณาดูเนื้อที่เป็นอาหารว่า จะเป็นเนื้อที่ต้องห้ามตามพุทธบัญญัติหรือไม่ท่านก็ได้ยินเสียงหลวงปู่บอกว่าฉันเธอไม่ต้อ ง, องพิพพจารณาหรอกหลวงพ่อสมเล่าว่าเพียงรนึกเท่านั้นทั้งที่มองไม่เห็นกันท่านก็ยังรู้ได้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ป่วยเป็นโรคปอดบวมเมื่อปลายเดือนมกมออราคมพศ2527เจ้าของโรงเรยียนสมศรปราชดำริได้นิมหลวงปู่ เข้าทำการรักษาณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีสิญญานุสิทธิ์ที่ทราบข่าวไปเยี่ยมกันอยู่ไม่ขาดในครั้งนั้นมีแม่ลูกฝังได้อุ้มลูกสาวอายุประมาณวขวบกว่าเข้าไปเยี่ยมท่านพอกราบท่านเสร็จหลวงปู่ท่านมองดูแม่ที่อุ้มเด็กและเด็กที่อยู่ในเอวของมารดาแล้วท่านก็หัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเออดีเอาแม่มาอุม้มพัดกันเมื่อก่อนแม่เลียม ตอนนี้ต้องเลี้ยงแม่ทุกคนฟังแล้วก็งงต่อคำพูดนั้นหลวงปู่จึงบอกว่าแม่ของเขาตายไปแล้วและได้มาเกิดเป็นลูกคือเด็กหญิงคนนั้นเองพอได้ฟังหนึง่งนันทุกคนจึงได้คลายความสงสัยลงได้แล้วก็สอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นความจริงแม่ของตอนได้เสียชีวิตไปนานแล้ว นี้เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทั้งสองอาศัยบําเพ็ญบารมีจนได้บรรลุแจ้งในธรรมนี้เองหลวงพ่สมได้มอบหมายให้หลวงปู่บุตรดาสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งลักษณะเป็นพระพุธจากยอดเขาขึ้นมาครึ่งองค์เพื่อเป็นหนังสอนผันพระพักไปทางทิศใต้คล้ายกับว่าพระพุทธองค์กําลังมองแผ่พระบารมีลงไปยังผู้อยู่เบื้องล่าง เมื่อมองดูที่ัานที่ประพักที่พระพุทธ ร, รูปทรงแผ่ไปแล้วรู้สึกสวยงามสดชื่นไปด้วยพื้นนาต้นข้าวเขียวขจีนับว่าเป็นทาเลที่เหมาะเจาะในการสร้างพระพุทธรูปแห่งนี้ทีเดียว พระพระนานเจ้าอินทรศักด์สจีในพระบาทสมเด็จพระมหาธิราราชเจ้าราชัชกาลที่6ได้นิมนต์หลวงปู่ไปจำพรรษาและเทศโปรดญาโจมที่นั่นในราวเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2475ในการแสดงธรรมนั้นจะมีคนมาฟังธรรมมากมายเหมือนกับมีงานเทศกาลประจำปี แ ล, 1941, และในจำนวนผู้มาฟังธรรมครั้งนั้นก็มีคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมสมัยนั้นท่านยังไม่ได้บวชชีมานั่งร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วก็เกิดความเริ่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจนกระทั่งตัดสินใจโกนผมนุ่งขาวผมขาวบวชเป็นชีแล้วกระทำความผยดด้วยตนเองเรื่อยมา ด้วยความคุ้นเคยระหว่างแม่ชีบุญเรือนกับหลวงปู่และชบคุณประจิติสารโสพลเมื่อสมัยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธจึงได้นิ ม, มนต์หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดอาวุธในเวลาต่อมาเพื่อโปรดญาติโยมในละแวกนั้นวัดถ้ำแกลบบุญทวีอาจารย์เหล็งเป็นภิกษุชาวเพชรบุรี สมัยอยู่วัดสัมพัทวงศ์นั้นมีความเลื่อมใสในพระคุณหลวงปู่มากก็ได้อาราธนาหลวงปู่ไปโปรดญาติโยมทางเมืองเพชรบุรีโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดท่านแกรบบุญทวีในปีฟอส2475ยังความปราบรื่นแก่ชาวเพชรบุรีเป็นอย่างมากจนมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านมาก ขนาดบรรดากรรมกรที่สามล้อรับจ้างเมื่อเห็นลงปู่จะไปที่ใดภายในตัวเมืองก็จะแย่งกันนิมนต์ขึ้นรถของตัวเองเพราะถ้าวันไหนลงปู่ได้นัำรถของเขาแล้ววันนั้นทั้งวันจะหาเงินได้มากเป็นพิเศษมีเรื่องเล่าว่าในคราวหนึ่งมีนายทหารได้ใช้ปืนยิงนกภายในบริเวณวัดเมื่อ ยิงนกมาจนถึงหน้ากุฏิของท่านท่านก็ได้ชี้บอกในทหารคนนั้นว่าน่นในนกท่านชี้ไปยังนกที่กําลังหากินอยู่บนกิ่งไม้อยู่ใกล้กุฏิท่านแต่ท่านบอกว่าให้ยิงได้เพียงสองนัดเท่านั้นนายทหารทัวนั้นก็เล็งปืนไปยังนกตัวนั้นทันทีเหนียวไกหมายสังหารนกตัวนั้นสองนัดซ้อนปรากฏว่าด้านทั้งสองนัด ท่านบอกว่าอย่ายิงต่อไปนะปืนจะแตกนายทหารผู้นั้นก็เชื่อฟังหลวงปู่เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เข้าไปยิงนกในวัดอีกเลยมีผู้ถามท่านว่าหลวงปู่ทำได้อย่างไรท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เขาต้องตกนรกเพราะสร้างกรรมเวรต่อนกตัวนั้นก็สั่งสอนเขาไปเท่านั้นเอง ชีว่าซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความเคารพต่อหลวงปู่มากได้เล่าเกี่ยวกับความผูกพันและสิ่งที่หลวงปู่ได้ทำให้แก้วัดแห่งนี้ว่าพ่อคุณพ่อลุกย า, าเป็นถึนหางเล่นแก่เย็นจะทิ้ฝากนี้แก่คนละร้อยบาททั้งพระทั้งเลนทั้งที ทีนี้มาเข้าบรรช้นานี่คนมากเป็นหมากไม้เลยรบกวนขาจปดี๋คนเข้าบรรจาแจกพันร้อยไทยก็แจกนะมาจพดเงินที่แจกมจ่ายเงินที่อันนะเงินของสมาชิกที่เข้าออกประจำเดือนนี้อยู่406คนมากสังเก่้ แล้วเงินฉันฝากไว้ฉันหาได้คนนั้นเข้าหุยที่คนนี้เข้าหวนที่เอาไปฝากไว้ขึ้มาหาเงินุ๊บสองแสนก่าแล้วที่ทำงานกาชาติสแสนสามก็เอาดอกนั่นแหละวัดเทียนแกกสิบกว่าไปเลย แก่ทุกปีเลยแกทุกเดือนไม่ใช่แกทุกปีเดือนทุกวันนี้เหรอคะแก่ทุกเดือนที่ไหนก็างินสอเที่ยนะเวลาสิเดือนแก่ทีนึง้ที่เขออกประจำเดือนที่เขาบริษัทงานสี่ร้อยกคนอนนี้ก็าแต่บารมีว่างว่างน้อยด้าก็มาคิดดูว่าเดือนนี้ตกเแล้วก็แกเดือนเมื่อยังไม่เข้าบริษัแกคนละร้อทงพระทัคือทั้งเนย้าวัดเลยมวัแกเนี่ย เ้าที่นี่หลวงปู่ยังได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาทิวาดในกรุงเทพมหานครในปีพศ2478ถึงปีพศ2479 ได้ตั้งสตจากอดุษฐานบงเป็นบา ร, รมีอันอุปติคือฉันข้าวมื้อเดียวยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดสามเดือนไม่มีองค์ไหนทนต่อความปวดเมื่อยห่วงเหงาหาวนอนได้แม้แต่องค์เดียว เพียงหลวงปู่เท่านั้นที่ปฏิบัติได้ตลอดทั้งสามเดือนท่านจึงได้เคารพเรื่มใสในหลวงปู่เป็นอันมากท่านมักจะเล่าให้บรรดาติดฟังเสมอสมอในทีวิศภูบาศรีวิชัยต้องอธิกรคือถูกกล่าวหาสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นคือสมเด็จเจ้ากรมมาหลวงจินวอนสิริวัต ต้องให้คนเขารู้ว่าเราเป็นในห้อยไม่ใช่เป็นในสิทธิ์มีคดีสาเห็นที่ลลงผูไปไหนก็ตามท่านจะพาดสังกติด้วยเสมอและในระหว่างจำพรรษาที่วัดประชาที่วิวานีเจงท่านได้เคยพบสนธนาธรรมกับท่านพุทธทาแสแห่งสวนโมกปราลาม ท่านเคยชวนลุงปู่ไปจำพันษาที่สวนโมบด้วย พันศานั้นจึง ม, ม, ม, มีพระไทยรวมทั้งหลวงปู่ด้วยสี่องค์และพระกรเมร์อีกหนึ่งองค์อยู่จำพรรษาแทนหลังจากนั้นทก็เดินทางไปจำพรรษาที่วัดเขาโขวดพีรีวัดช้างชนราชบางรุงวัดบูรในจังหวัดประยองที่นี่ท่านได้พบกับทหารเรือนายหนึ่งสมัยกรมหลวงชุมพรเขตอุดหศัก ที่ซับซึงและเริ่มสายสัทธาจึงได้อุปสมบทในพระพุทธศาสน า, าอยู่ใน ท, าทาา่นาคาสวัส์จนถึงอายุครบก9ปี1กเดือนหลวงปู่อยู่จำพรรษาที่ระยองนานถึง7พรรษาด้วยกันแล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีอีกกว่าร้าหนึ่งในช่วงนี้ หลวงปู่อายุประมาณ82ปีต่อมาในปีพศ2517ถึง2519พระปู่โสภลจารวัตหรือพระมหาทองการโนโมในสมัยนั้นกับหลวงตาสนิทได้ไปนิมนต์หลวงปู่ที่วัดถ้ำแกลบบุญทวี ได้มาโปรดที่วัดสองพี่น้องอําเภอสันดุรีจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องมีราชโอรสของพระมหากรัสั์ชื่อเจ้าอ้ายเจ้ายี ขึ ack, movement, ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอุทยาเมื่อแรกที่หลวงปู่มาอยู่ได้ชมพูสุส่งมากแม้เจดีเจ้าอ้ายเจ้ายี่ที่เป็นปูชนิยสถานก็เช่นกันในระยะต่อมาโบส์วิหารกุติที่พักพระเนร ร้อมทั้งที่ภาคอุบาสิศอุบัติกาน้ำและไฟฟ้าได้เริ่มมีขึ้นในสมัยที่หลวงปู่มาจําปัญษาอยู่ที่นี่เองโดยรวบรวมนำเอาปัจจัยที่พุทธบริษัทได้มาบริจาคเพื่อร่วมสร้างถาวรวัตถุดังกล่าวจนแล้วเสร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน ภพนักอยู่ที่นี่แต่ละวันจะมีญาติโยมทั้งใกล้และไกลตลอดจนพระอริยเจ้าต่างๆได้มาเยี่ยมกราบนมัตการท่านเป็นประจำไม่เคยว่างเว้นหลวงปู่ม่นกเมตตาแนะนำธรรมะต่างๆให้ผู้ที่มานมัตการท่านได้รับและนำไปปฏิบัติ ปฏิบัติตามสมควรแก่วาระและโอกาสที่จะอำนวยให้ สิวดีก็แบบเดี๋ยวทำบากันนอยเลยไม่ถึงกดหม า, ายเส้นออพรมไม่ถึงเส้นผ้าด้วยไม่ถึงกดหมายอาญาด้วยเลยมีลาบปูเพื่มทั้งหลายเมื่อไปตางไหนพระพุทธเจ้าก็เอาสิวดีไปตามด้วยวันหน่งไปเยี่ยมพระเวสระถ้าเราสิวดีไปด้วยไปสาวีบุด้วยผ้านอนด้วยไป เลว่าตา้งนี่ยเป็นน้องไม้ของพรายาบุตอยู่7ปี7เดือนเจวันเห็นว่าแม่ว่าเป็นผู้ที่ว่าหัวไหวแบนทับไปลูกชายลูกชายใหญ่ห้าเจ็ดขวดนี่เอาคืในให้แม่เราแม่แมเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกน้องช่วยวออกไปนี้ไปบวช น, น้องชายจะสาคน นางสาวเป็นสองคนออกบอกว่าเดียทั้งหกคนู้ก็มาเสียตายตายบ้างตา้างตายเล็กนี่ไปแต่งานด้วยแต่งงาไปก็ยืดเจ็ดขวบแต่านบ้างก็หนีออกบทตัวนั้นบทเด่นเลยระษาที่วิ่งไปสั่งท้าถงด้วยอ่ะเมื่อวานโดยว่าตากุบานเข้ามาหาฆ่าม้าถงและก่อให้ัวด้วยพระตอนนี้มันเป็นทุกข์ประองเอง พ่อแม่บ้นกครอให้รลพ่อแม่หัวไวไม่ใ้อมกจากบ้านเลยแตแ่หัวแ้าของโก้ก็มีความเสียใจมากแล้วคนที่เกินดนไปใหบวชแล้วกันเอาไปแต่งาา ง, าาตงานวันนั้ น, นรรรเราออกก่อนนันเลยพอแต่งงา น, นแล้วก็ออกไปสูบปั๊บดูหกสิบลูกกูดูหกสูกอะเป็นมั่งคายมั่ก็ใช้ดูแต่ใ้ดู่กอบอกพสงฆแล้วพระงก็บวนไป วันแรกเราขอไป้จีวรกับบาตแล้วก็ปลายป่าเลยมันอี่ป่าพรษาเดียวคนเองครับแตทะลุแล้วพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระสาุไปเยี่ยมพระจีวีไปเยี่ยมข้าห้าร้อยสร้างกฎวันเดียวได้ห้าร้อยเอ็นสร้างที่ปฐมให้พระพุทธเจ้าด้วยสร้างทิดจงกรมให้พระพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าทำได้อยู่เกืบเดือนต่อเป็พระโสมก็ไปด้วยห้าร้อย ข้าน เ, เลวาตานี่ยําบานมันสร้างของวัดใหญ่บ้านตัวนี้ตุ๊กราดฤทิเองไม่ต้องสางยานโล ก, กนเลยจนมนาโลกสอนชโลกภูมโลกสร้างไม่ไหวจนลูกระ า, ามพระองค์สร้างได้เว่าตามีิ์มากตกาดิสร้างได้พระองค์เได้กลับมาขยิ้มาขาถามพระมิจุง ค่ะแต่ตนพรพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระเลวาตาเป็นยังไงบางอู้จิต ว, วันสู้ไม่ได้บนสวรรหกชั้นสู้ไม่ได้หะเป็นที่สบายมากเป็นที่ว่าดื่นดีน่ะพรารีบุไปเยี่ยมคราเนี้รู้สึกว่าม่นเื่อมากตอนพระพุทธ เ, เ, เจ้ามาห้าร้อยเจอกันเป็นสาขาก็ถามอ่ะแต่บ้านว่าด้องเดิต้องขันขันเถื่อนวาข เห็นพระพุทธเจ้าไปวัดเณรวัด า, า ม, มาพระพุทธเจ้าล้งองว่าที่กี่ทักของพระทหารน่ะอายุเจกดขวบก็ตามยี่สิบปีก็ตามแปดสิบปีอย่างก็ตามคุณละก็ตามพระทหารอยู่ในหมายล่าเงินสิบล้านมันยันชี่อกรรมที่สูงทำประเดี๋หมายพื้นผปพบนี่หมาย จ, จิตใจละหาว่าตาหูจในในในมูกที่กายละพื้นไม่มีโุติสิปนเลย อินทรโภคุณรัตามีโรธหูมีโรธจบูกริ่งกายใจมีโรธปดเป็นมีโรธอย่างนี้เองอรัพระขีมาศพระพุทธเจ้าเป็นูุนีองแรกพระเจ้าพทธองค์ที่สองแล้วก็ก่าพุทธะองค์ที่สามพระราชาองค์ที่สี่พกิจรา้าองค์ที่ห้าพระธุดาองค์ที่หกุนีพระหกนี่ถ้าได้เกาปรากดเมื่อมนุษย์ล้ว จิตใจท่านข้ามจากูทีหมดแล้วท่านไม่มาแล้วยังเหลือแต่สัญญอดกลดำสัยญอดุลกลางพาสกิตาคาพาสมาคาเน่รักสัญญอด้หยในห า, า, าพาโซบาวัาสัญยอยในหาฐานฐ า, า, ญญานได้อสองเจ็ดตัวยังเหลือแต่อวิชามตไสเจ็ตัวอวิชาสัญญอดเจ็ดตัว เนี่ยเจิบตัวแล้วบังคันไม่ให้ไม่คขาดผิ้ได้ไม่ออกจากมนุษย์สวรรค์เทวโลกภพโลกใปนี่จะเกิดว่าแก่แก่ว่าเจ็บติดว่าตายไม่มีสารแยงสว่างรู้เลยอาวิชาแล้วที่เกิดกับจิตทุวิธาเป็นค่ามเติมสุวิธาอาจเจริญเจริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบัตพเจริญ อรนนมัชสีเรื่องผลสีเจริญมัชสีผลสีในภาพหนึ่งนี่จุวิชาเรานั่งอยู่นี่เรามันมีอะไรมีหนังแผนเดียวรัวอมทุวิชาจุวิชาถ้าทุวิชาออกหน้าเึงนผ่าเฉียงจุวิชาออกหน้าเป็นผ่าเจริญเจริญยุย์สมบัติสวรรคสมบัติปุ่สมบัติไม่พาวสมบัติอรนนมัชสีเรื่ผลสีขอที่ส้องทางภูทรทลายเจริญอันนี้มัสีเรื่ผลสีในปัจจุบันนี่ หังแผนนี้แล้วมาลองวัดอริมัติอะไรเนี้ผลทีลองวัดจิตปฏิโดภวินไมปฏิโดอกอภวปฏิโดจิ ก, ก็มีอยู่นี่แล้วิตปรมาจิตวัดรู้ปรมาจิตความปรมาิตอยู่ที่ในในจิเตเองมีหลังผู้อยู่้วยร่าติเมื่อแคลนแล้วเอาหลังไปร้คาไปไหนก็บุ่งพองิตไรจิตนัสส้นเป็นผู้จิตคือ มนุษย์เสบ่าสวรนบาถ like ูกดอยไม่รักเบาตลอดงานนิรักสินิรันรสีตลอดนรักูกตลอดนิรักนิพานตลอดนี่าะขอให้ได้กันตําแต่ปัจจุบันนี้ไปต่อต่อพัฒนาโคติตีัาโคตรให้มีสนิพานถึงดวงไปแล้วก็มีเสนิพานปัจจุบันนี้ก็มีเสนิพานนิพานไับทุกบ้าไม่มีทุกเลยทุกในเกิแต่เจียตาเรื่อง้ขอที่น้องชาวไทย มารู้วัดผลนี่ทานโดยสัพพันเพริ่ม